อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ349 1. ้ิกภิกษุไม่ต้องการจะทําให้ตกใจนํารูปเสียงกลิ่นรสหรือผทธภะเข้าไปใกล้ 2. อภิกษุไม่ต้องการจะทําให้ตกใจบอกทางกันดานเพราะมีโจรกันดานเพราะมีสัตว์ร้ายหรือกันดานเพราะมีปีศาจสามภิกษุวิคนจริตสี่ภิกษุต้นบัญญัติพิงสา ป, ปานาสิขาบทที่5จบ